ขกราบสวัสดีท uh ่านผู้ฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปรุณทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปุณจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้ในการสนับนุนวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบปุณเป็นผู้ดำเนินรายการครับเช่นเคยครับวันนี้ทางรายการกลาวพัฒนาประเทศไปคุณพระเทศยุโลกวันบวมนี้พิหานเป็นคนตอบปัญหาธรรมะครับ หมายเโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315เชิญสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้เลย น, นะครับขออนุญาตมีสายแรกเข้ามารออยู่ก่อนนะครับสวัสดีครับไปดการครับนรัตการนรัตการและสวัสดีครับอยากสงสัยว่ารูปสีที่เห็นทางตาเนี่ยมันเป็นภาพลงตาคล้ายๆแบบจิ๊กซอรหรือเปล่าครับแต่ว่ามันละเอียดกว่าจิ๊กซอแล้วก็ข้อสอ การพูดแบบไหนจัดว่าเป็นการพูดโพสเจอร์เลยครับครับครับแล้ฟังจากวิทยุนะครับครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับภาพอะไรอ่ะสีอะไรนะครับผมแต่วันที่จริงมันก็เป็นมายาอย่างหนึ่งอ่ะมันอยู่ที่ระยะการมองการเห็นก็มองใกล้ก็เป็นอย่างหนึ่งมองไกลก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับผมที่จริงพวกนี้ก็ถัวถือเป็นเป็นเป็นมายาครับคือมันมันไม่จริงอ่ะครับ ก็อะไรนะการพูดเพือเจ้ออ๋อเพื่อเจอก็คือหมายความว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรครับเรื่องที่พูดอ่ะคท้ายก็พวกตลกเล่นตลกอะไรต่างๆเราจะเห็นว่ามันก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรครับแต่ส่วนมากก็สนุกสนานครับหรือว่าอพูดแบบคนเมาอ่ะคนเมาเมาเล้าไม่จับประเด็นไม่ได้ไม่ได้เรื่องก็เรียกสำรากเพื่อเจ้อ ครับผมขอบคุณที่ช่วยอาจารย์ครับมีปัญหาทางบ้านฝากสเรียนสอบถามท่านอาจารย์ไหมครับบอกว่าปีนี้เนี่ยครับมีข่าวทั่วทั่วไปบอกว่า ปี น, นี้ปีนี้เป็นปีกุลและปีกุลชงกับปีมะเสงนะครับแล้วครัว่าคนปีมะเสงก็ไปทําบุญที่วัดใล่นหนังยี่กันเต็มไปหมดเลยนะครับทีุยใจครับถามว่าความเชื่อแบบนี้จะ่คุใจครับในหลักฐานทางพุทธศา ส, สนามีจะถูกต้องหรือไม่แล้วก็ทำยังไงถึงจะช่วยขจัดเป่าเป่าทุกที่เขาเกิดจากความรู้สึกว่าเขาจะไม่มีโชคไม่มีราบหรือเป็นเป็นทุกข์จาก ปีปเกิดได้ครับพิจารณ์ครับคือมันเป็นการสร้างขึ้นโดยส่วนหนึ่งก็เรียกปฏิสิริ์รัประบานแต่จริงๆมันเป็นอาการของที่ถูกประทานแต่หมายความเป็นเงื่อนไขที่สังคมเนี่ยสร้างขึ้นแล้วก็คนไปรับประเด็นตรงนี้คแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะันมันจะลักษณะผูกโยง อ, อย่างที่ยกต ตัวอย่างว่าที่ที่พระพุทธเจ้าไปทรมานพระวระกายในยตอนแรกเนี่ยมันก็จากพื้นฐานความเชื่อว่าคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานจะจะจะสรู้ได้ก็ต้องทรมานร่างกายถ้าไม่ทรมานร่างกายจะไม่จะสรู้เลยเอาไปบวกกันขึ้นแล้วก็พอพ อ, พอทรงพิจารณาจริงๆก็มันมันไร้สาร ะ, าระคนเราไปเดินกันแล้วในสุดก็ปเปลี่ยนเป็นการฝึกทางจิต ทีนี้ตรงตัวนี้มันก็ต้องตง้องให้เขาคิดเอง ค, คือเราอย่าลืมว่าคนพูดจะไม่มีโอกาสผิด<ช>นะแล้วก็ให้เขาประกอบพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นก็นกนว่ากันไปสมมติว่าอสิ่งที่เรียกว่าเคราะห์เกิดขึ้นนะเขาก็บอกว่านี่ดีนะได้ทาบุญทําไม่งั้นจะแรงกว่านี้ใช่ครับทีนี้ถ้าไม่เกิดเห็นไหมถ้าคุณไม่ทําบุญมันจะเกิดเพราะงั้นคนคนที่บอกนี่จะได้ประโยชน์ตั้งขึ้นตั้งรอบ แล้ววิธีนี้จะหากินได้ตลอดาได้ที่คนยังไม่ไม่ใช่เหตุผลมากพอเนี่ย ค, ครับแบบสดอกเคราะห์แบบแบบแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับสดอกเคราะห์คือแนวพวกนี้คนจะยอมจำนวนต่อเทวดามนุษย์เน<อ>ี่ยจะยอมจำนวนต่อเทวดาคเดีเยวดาให้โทษก็บูชาเทวดาเทวดาให้คุณก็บูชาเทวดาออืเอออให้คุณบูชานี่ย พ, พอฟังได้ให้โทษเรบูชาเราไม่ได้นะแต่ว่าก็กลวัวไง เพราะงั้นปัญหาทั้งหมดเนี่ย ข, ของมนุษย์มันก็กลัวเพราะไม่รู้ที่ไม่รู้จึงกลัวแล้วถ้ารู้ก็จะหายกลัวจะเนี้ยอย่างอย่างมาบอ ก, กาอาตมาอาตมาก็ยิ้มยิ้มนั่นนั่นเลครับผมอ่าเก็สงสารที่คนไปทำบุญโดยวิธีนั้นเพราะว่ามันมันจริงๆแล้วต้องการจะอะไรล่ะคืออยากได้ถ้าถ้ามันเกิดเกิดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ย ก็จะเสียใจครับกลายเป็นความสุขใช่ครับเดี๋ยวนะฮะ<ช>กลายเป็นความสุข ค, คือบุญนี่มันต้องออกมาเป็นสุขโอเดี๋ยวนี้ทําไปแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นความสุขครับพอไม่สมหวังที่ตัวขอร้องอาราธนาอะไรต่ออะไรบวงสรวงก็ว่ากันไปนะครับอ่าพอได้ก็จะสร้างอุปท า, านเพิ่มขึ้นวันเนี้ยพอเราทาอย่างนี้จึงได้อย่างนี้โอแล้วก็ มันไม่ใช่ข้อยุติเนี่ยมันไม่ใช่ศรัทธับบางครั้งแกก็ได้บางครั้งแกก็ไม่ได้พอพอไม่ได้เนี่ยก็จะโทษตัวเองเราบูชาไม่ถูกใช่ครับเก็บูชาไม่ถูกพระพระจึงอะไรก็เทวดาจึงไม่ไม่ประสิทธิ์ประสาทให้ก็ว่าไปคือจะไม่โทษเทวดาจะโทษตัวเองโทษตัวเองจะโทษตัวเองขอบคุณเจ้ากัจจายนมากครับสายที่สองครับสวัสดีครับแฟนรายการครับสวัสดีครับทางเลือกการคันคุณด้วยนะครับ สอบถามป<า><า>ัญหาสองข้อนะครับครับเช่นเดยครับถามว่าอํา น, นาจที่ได้มาจากการที่เราบําเพ็ญบารมีอสร้างพลังความดีนะครับกับอํา น, นาจที่เป็นผลมาจากการเรียนสร้างมันมันดีหรือมันแตกต่างกันยังไงครับแล้วก้สองอำนาที่เป็นผลมาจากอะไรนะครับ เออเป็นผลมาจากการเลือกตั้งนะครับระหว่างอนาจเออท้นได้มาจากการเลือกตั้งกับอานาจที่ได้มาจากการบรรเทาบารมี <c oughs> สร้างพลังความดีไติเที่ยงไปตรงนั้นเลยนะครับข้อสองแล้วแล้วข้อสองครับอานาจของท่านเท้าส ก, กัตเวราชไครับเทวราชีเก่ดแก่งแย่งปฏวัชิงอานาจได้ไหครับ อ๋อทำเรื่องอำนาจนะครับกลับรับฟังคำพิยุครับขอบคุณมากครับท่านเีครับเอ่อคือคือเทาอกาศเทวราชก็เกิดด้วยบุญนะครับก็เกิดด้วยบุญคือคือเรื่องของบุญเนี่ยมันมันก็ถ้าบุญไม่ถึงมันก็เป็นไม่ได้ ส่วนส่วนที่ว่าอำนาจซึ่งเกิดมาจากการเลือกตั้งกับเกิดมาจากการสร้างบา ร, รมีเนี่ยที่จริงมันเป็นปัจจัยของการเลือกการ oh. หมายความว่าคนเป็นที่นิยมชื่นชมของคนทั้งหลายแสดงว่าสร้างบา ร, รมีมาให้ได้บริวารสมบัติครับ <Right. S 2> ก็เป็นที่ชื่นชมคนทั้งหลายคนก็เลือกครับเพราะในสิทธิในการสมัครแต่มันเยอะ <Right. S 2> แต่ว่าประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนเหล่านั้นมีบุญได้กระทาไว้หรือเปล่า แต่ในขณะเดียวกันถ้าสังคมยังอ่อนแออาจจะได้ด้วยเงินในปัจจุบันก็ได้ครับแต่ถ้าเขาสมัครรับเลือกตั้งโดยความสุจริตจริงๆแสดงว่าได้มาด้วยบา ร, รมีในอดีตแล้วก็ความดีที่สังคมสัมผัสได้ในปัจจุบันครับพอตามปกติแล้วคนที่เลือกก็จะรู้จักคนเหล่านี้ครับรู้จักผลงานของคนเหล่านี้มันมันเป็นปัจจัยของกันเลยกันนะฮะครับหมายความบา ร, รมีเนี่ยเป็นเหตุรับเลือกตั้ง ถ้าเราไม่มีบา ร, รมีพอเขาก็ไม่ เ, เลือกเราไม่ เ, เลือกเราครับหรือ ค, รคนมีบา ร, รมีอื่นมากกว่าคนมีบา ร, รมีมากกว่าเราก็สู้ไม่ได้เราก็ต้องสร้างบา ร, รมีต่อครับผมนั่นฟังจับขอบคุณที่านครับสายที่สามรออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสงสัยมากเลยว่าเมืองรับแรเนี่ยมีจริงหรือเปล่ามไม่ใช่อำเภอรับแรนะครับครับมีการพูดถึงนายประไตรปิฎกหรือเปล่าแล้วก็ข้อสอง เอ่อเพื่ยความขั้นต้นก็ได้ครับคำว่าธรรมนิยามนะครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับเอ่อเมืองลับแลเนี่ยมันมันเป็นภาษาที่เราเรียกแต่หมายความถึงโลกนี่มันมีอีกนิติหนึ่งอ๋อฮะมันอยู่ในอีกมิติหนึ่งซึ่งหมายความว่าคนก็ไปเจอไปสัมผัสกันได้ครับ เหการต่างๆในสมัยพุทธกาลที่เขาพูดถึงคนไปพบเทวดาไปพบกระลุกะเทวดาอะไรอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรารในปัจจุบันก็คือเมืองรับแหลครับผมเหมืองรับแลแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดตรงตัวไปเลยเทวดาหรือพกกระเทวดาตรงนั้นครับผมมันมันมัใกล้ๆกับโลกมันซ้อนโลกอะ่ะมันโคลนมิติกันครับผม ก็มีมีตำนานเรื่องเหล่านี้เยอะมีคนซึ่งซึ่งคนสมัยปัจจุบันเนี่ยแหละก็เคยเจอภาพในลักษณะเหล่านี้ยมีคนที่บ้านแต่ว่าก็ก็ก็นานแล้วนะฮะครับเกเล่นน้ำในในใกล้ใกล้บึงอ่ะครับใกล้กล้บึงบึงใหญ่แต่มันมันมันที่จริงเป็นลาคลองมันตรงนั้นมันกว้างดำไปดำมาทะลุหายไปที่ไหนไม่รู้ เดิไปเจอเมืองเจอเมืองก็ยังเป็นเด็กแล้วก็เขาก็ให้ขมิ้นมาแกก็เห็นว่าขมิ้นที่บ้านเยอะเลยก็เอามาอันเดียวพอดำน้ำโผล่ขึ้นมาเอาขมิ้นเป็นทอ ง, ทองดำมหากันใหญ่เลยไม่เจอ <laughs> จ <laughs> อันนี้คือคือเขาเรียกเมืองนับแหลเป็นประสบการณ์ในส่วนตัวมันใกล้ๆทะลุมิติไปแค่ะอะไรแหลมอะไรแห่งนะั้นที่ว่าโุ่งเรืเ่องเรือด้านนั่นนะครับเกิดเครื่องบินหายเป็นลำๆอัเนี้คื อ, ค, อ, ค, อคือมันมันเป็นโลกซ้อนโลกครับก็อะไรกรั น, รรนอ๋อธรรมนิยามก็คือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาอย่างเงี้ย ยันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นนัตตาอย่างเงี้ยคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแกิต้องเกิดต้องตายเงี้ยมันเป็นธรรมนิยามมันเป็นกฎของธรรมชาติทั้งมันครับคือตาำใดที่เราเกิดเราต้องแก่ต้องเกิดต้องตายครับอ่หรือว่าสังขารทั้งหลายไม่ไม่มีอะไรสังขารที่เที่ยงไม่มีสังขารอะไรที่เป็นสุขไม่มีสังขารอะไรที่เป็นอัตตาตัวตนครับอันนี้ก็เป็นธรรมนิยามทังเป็นกฎที่มีอยู่ธรรมชาติ พระพุทธเจ้าค้นพบกฎนี้พระเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นก็มาอย่างนี้แหละครับแต่เพียงพระเจ้าค้นพบกฎตัวนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็นํามาเปิดเผยแสดงออย่างที่ทรงแสดงไว้ในธรรมนิยามมาสูตรเนี่ยก็เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาครับเลยที่ที่จริงมันมีนิยามห้านะฮะรธรรมนิยามอุตุนิยามพีชนิยามจิตนิยามกรรมนิยามครับนะจิตนิยามกรรมนิยามเป็นเรื่องของคน ซึ่งหมายความว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงนิยามพวกนี้ได้บางระดับเช่นว่ า, ากเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็รู้จักบริหารร่างกายรักษาสุขภาพปรานามัยให้แก่ชาลงนอบนะแต่ว่าไปแก้กดตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าบรรเทาได้โดยความคิดกับโดยการกระทำโดยจิตกับโดยการกระทาของเราเนี่ย ม, ม, มันมันอุตุนิยามลักษณะทางภูมิศาสต์อย่างเนี้ย อากาศมันร้อนต้องการจะปลูปลกพืชเมืองเมืองหนาวก็สร้างห้องกระจกขึ้นมาปลูกกรเนี้คือคือคือมันก็คิดได้ทําได้แต่คุณจะเปลี่ยนจริงๆไม่ได้นอกจากในห้องคุณเท่า น, นั้นเองครับขอบครับี่คุณจา่าับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับโทรศัพท์สอบถามปัญหาเข้ามาได้นะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสาสามหึงห้าครับที่คุณจ่าครับมีนักศึกษาฝากมาการบราการสอบถามที่คุณจ่าครับว่าในปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับ วันพระที่สําคัญสำคัญเนี่ยมีกี่วันที่เราจะต้องทําเป็นกิจวัตรประจําทุกปีเลยการเฉลิมฉลองครั บ, ใใรบแล้วพุทธศาสนาชนชาวไทยเนี่ยน่าจะหยุดวันนี้หรือเปล่าแล้วก็ทําปฏิบัติกันให้จริงจังทั้งประเทศจะคุยกันครับคือถ้าเอาเฉพาะวันสําคัญก็คือวันที่ไปผูกโยงกับพระพุทธเจ้าครับกั บ, บ, ก, บกับพระตัณาไตรนะครับพูดง่ายๆว่าเวันมาฆบูชาครับ วันอาสาหะวิวิสาขบูชาสองวันนะวิสาขะบูชาปุรนามีกับอัรมีวันตะบอยพระเพลิงแล้วก็วันอาสาหะบูชากันนี้ก็ปมันสี่วันนะะวันสี่วันปีหนึ่งเนี่ยแล้ที่จริงมันก็ควรควรจะหยุดนะแต่ว่าพอหยุดแล้วก็ก็ไม่ได้บาเพ็ญกุศลอะไรก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันก็ พูดยากนะครับปัจจุบันมันพูดยากไปหมด อ, อ, อ่ะตอนเงื่อนไขต่างๆภายในสังคมมันเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยวันพระวันโกนเขาไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการผิดศีลถือศีลกันกเดี๋ยวนี้เอามาอยู่เอามาอยู่ไม่เลือกแล้ววันพระวันโกนเนี่ยออ นี่ก็คือก็คือปัญหาสังคมครับผซึ่งเพื่ อ, อามาเองมันมองว่าปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาจากสมุทัยสมุทยัยนะถ้าเราแก้ที่ตัวสมุทัยไม่ได้เนี่ยเลิกพูดเลยครับอ่มันก็ทายจะมองไปอย่างนั้นอต่เกาคันๆก็เกาไปอย่างนั้ดีมันแก้แก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับผมฟรอนมันไม่ต้องพัฒนาคุณธรรมของมนุษย์ขึ้นมาครับให้ได้แล้วยังอื่นก็จะถูกแก้ไขไปเองครับ คนเราจะโง่สักหน่อยแต่ว่าให้เป็นคนดีเถอะมันมันมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ละแต่ว่าคนฉลาดแล้วก็ยิ่งเป็นคนชั่วแล้วก็อันตรายแรงมากพราะงั้นมันมันนันปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องศีลธรรมจะเป็นปัญหาใหญ่ครับเดือนนี้เราก็ยังหลงทางกันอยู่เนี่ยไปไปแก้ปัญหาอะไรกันไม่รู้ใช่ครับผมฝากขอบคุณทุกท่านครับสายต่อไปนะครับสายที่ห้าครับสวัสดีครับเป็นรายารครับสวัสดีค่ะครับสอบถามได้เลยครับ ใช่อยาดถามว่าถ้าเป็นแม่ชีนะฮะจะใช้คําแทนตัวว่าแม่ชีกับกับคนทั่วๆไปได้หรือเปล่ากอเรียกคนทั่วทั่วไปว่าว่าโยว่าโยไมใช่ไหมครับหมายถึงว่าตอนเราเรียกตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียกว่าเรียกว่าแม่ชีได้ไหมครับกับว่าเราอย่าเรียกคนที่มาเราอะไรเงี้ยฮะแต่โดยครับท่านที่ถามเป็นเป็นแม่ชีอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับผมครับผมกันแร้วฟังตามไปชื่อนะครับแม่ชีครับ ครับผมคือว่าการามความจริงเนี่ยมันเป็นสมมติบัญญัตินะคําระยุกตเนี่ยแต่ทีนี้มันสมมติบัญญัติว่าให้เป็นคําที่พระเรียกกับกัมเนนครับไม่ชีไม่ใช่เป็นนักบวชในในในในกลุ่มของภิกษุสามเณรครับต่างั้นก็ถ้าถ้าใช้สัมนามแทนตัวเองว่าไม่ชีนะได้แต่ว่าการนั้นก็เรียกชื่อก็ธรรมดา อาจจะเรียกพี่เรียกน้าเรียกอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าจะใช้โยมเนี่ยรู้สึกว่ามันคือมันไม่ใช่ผูกขาดอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นจารีตเออซึ่งเราในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมเนี่ยต้องรักษาจารีตจารีตประเพณีวัฒนธรรมครับเพราะงั้นจารีตของคําว่าโยมเนี่ยเป็นภาษาที่ถูกสมมติให้นักบวชเป็นคนใช้ เพื่อจะเห็นความแตกต่างครับแตที่รจริงก็ก็ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรหรอกแต่ว่ารพระจะต้องพูดอย่างนี้พระไปใช้ครับผมให้ชาวบ้านไม่ได้ครับอเลยเขาก็ให้มีคําเรียกครัเช่นเจริญพรอย่างเงี้ยโยมอย่างเงี้ยครับทีนี้บางทีคนเราคุ้นๆเราก็ไม่ได้เรียกโยมมะไรครับนะส่วนมากก็เรียกคนที่เราไม่รู้จักนะ่ะต้องจะใช้คำมาโยมครับแต่ถ้ารู้จักบางทีก็ไม่ได้ใช้ ไม่ผ่านครับขอบคุณทุกท่านครับสายที่แปดครับเออถางโทรับสายที่ห้าครับผมสวัสดีครับเป็นอะไรกันครับอาจารย์กระดงชันครับครับผมจารริงชันครับเชิญสอบถามได้ครับเราควรถามนะครับว่าอืมที่เขาพูดว่าพุทธเจ้ายี่สิบแปดองค์แบับนี้ห้าองค์อะไรอย่างเนี้มันมันสรุปแล้วมันเท่าไหร่โอ้โครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับจารริ่งชันครับผมเออคือ คือพระพุทธเจ้าในในของเรานะในเอกสารของเราแต่ว่าเริ่มต้นมาจากอะไรก็ไม่รู้แหละก็มียี่สิบแปดองค์คนะแล้วก็ในพัตนกระดนี้ก็มากะกุสันโธโกนาคมกักตสปะโคตมะแล้วก็สีอริยเมตไตรเขาเขน้บจากพระเจโกนาคมเป็นต้นมานะฮอก็ก็ห้าองค์ในพัฒนกระดันี้เนี่ยนอกนั้นก็ก่อนประวัติศาสตร์เป็นนานเลกันเลย <laughs> ก็ก็แล้วแต่นะฮะมันก็เริ่มขึ้นมาจากพระตันหังกรตันหังกรเมทะังกรทีปังกรเนี่ยก็ก็ก็เริ่มมาแต่ว่าเมื่อไหรเราไม่รู้อะมันมันก็ก็ท่านไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรว่ากี่กลับกี่กันเราก็ไม่รู้แต่ว่า คือพระสกปรกเนี้ยก็ท่านก็ว่าไว้อย่างนั้นแต่จริงๆเราก็พิสูจน์หลักฐานทางภูมิศาสตร์ทางทางทางโบราณก็ดีไม่เจอครับแสดงว่านานมากแล้วแม้แต่ประกาศสปะนี่มันมันพุทธันดอนหนึ่งนะฮะครับผมก็ผมนานมากครับไม่รู้จะนับยังไงอนพอดีก็ก็รู้ประดับความรู้นะครับผมครับขอบคุณท่านจะเป็นใจญ่กับสายที่หกมดออยู่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับครับ เออคุณครูทำปัญหาสองข้อครับครับเจริญครับจากอุทยาครับครับผมครับคือผมได้ยินรู้ว่าอ่าจิตคือสภาพที่รับรู้อลงและเจประจิตคือสิ่งที่คุมแต่งนผมอยากทราบว่าพระที่ท่านปือบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์อ่าใจประจิตท่านยังคุมแต่งหรือเปล่าครับครับผมครับข้อสองครับคือที่เขาว่ามีขันห้าขันมีขันสี่ขันมีขันขันเดียวกําลังต่องขี่อยู่ในพภกน้อยใหญ่ ก็คืออยากทราบว่าขันห้าขันขันสี่ขันขันหนึ่งขั น, ขนคืออะไร ค, ครับร<ะ>ครับผมครับแล้วก็มีนครับครับผมคือคือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็มีเจตสิกที่เป็นกุศลล้วนๆ น, นะฮะเป็นเจตสิกที่เป็นกุศลล้วนๆแต่ท่านเรียกเรียกรวมรวมว่าโลกุตรจิต หมายความมาเรียกเส้จิตเป็นเจตสิกัต่เรียกรวมรวมโลกุตระแต่ว่าเวลาท่านจะสื่อสารกับชาวบ้านที่จริงก็ใช้การมาประจรจิตนี่แหละก็ใช้ภาษาธรรมดานี่แหละก็ต้องมีเจตสิกแต่นั้นแหละไม่ไม่ไม่ไม่ว่าใครแต่ว่าเจตสิกเป็นกุศลเป็นโลกุตระจต่นั้นเอง ขันห้าขันขันสี่ขันขันหนึ่งขันอ๋อขันห้าขันก็คือสัตว์โลกทั่วไปัตมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยครับขันสี่ขันก็คืออรูปประพรมขันหนึ่งขันก็คืออสัญญีสัตวตาอสัญญีสัตว์เรีือพรมลูกฟักนะฮะครับลูกฟักก็อยู่เหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งครับก็มีเฉพาะรูปประขันครับผมขอบคุณครับสายต่อไปนะครับสายที่เจ็ดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสอบถามได้เลยครับ แต่จะเรียนถามท่านสุขุนว่ารากเงาของกุศลเลยครับถ้าโน้นครับช่วยเสียงดังๆนี้ดึงสายค่อยมากหนยครับของกุศลนะครับครับผมคือร่อกวดหลงครับผมโลพาโทสามโมหาทราบแล้วดังนั้อยากจะเรียนถามว่ารากเงาของโลพาโทสามโมหาเนี่ยมันคืออะไรครัครับผมได้ครับของกุศลด้วยอกุศลด้วยนะครับครับผมครับ แล้ฟังทางวิชยุทธ์นะครับขอบพระคุณมากครับคือคือรากจริงๆนะรากจริงๆเนี่ยมันเป็นอวิชากับวิชารากของโลกโกรธหลงก็คืออวิชาครัรากของไม่โลกมันกรมันหลงก็คือวิชาอ่มันก็มีสองรากอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราพูดโดยทั่วไปเนี่ยเขาเรียกอกุศลลมูลคือรากเง้าของอกุศลคืออวิชาก็จำแดงตัวที่โมหะก็พู ด, ดโลกโกรธหลงครเรียกว่าอากุศ ล, ลมูลคือง่ายดี แต่จริงๆล่ะจริงๆมันเป็นอวิชานะฮะอวิชาผู้ผู้โโนี้เป็นกิ่งของอวิชาอีกทีหนึ่งครันะโรคกระดหลนี่เป็นกิ่งของวิชาอีกทีหนึ่งครับแต่ถ้าถามมะาระแกว้วคือรากแกว้วมันก็อยู่ที่น้นแหละอยู่ที่ตัววิชาวอาวิชาแล้วข่ายกุศลก็มีวิชาให้ลองสังเกตว่วาเราไม่โลภเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีรู้เช่นเราไม่โลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเรารูร้ว่านี้เราไม่มีสิท ธ, ธิที่จะได้ครับผม การที่เราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเรารู้ว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปเราไม่ฆ่าใช่ครับการไม่โกหกนี่เรารู้ว่าการโกรหกไม่ดีเราก็ไม่โกหกเดงนะครับเห็นอาการกุาลไหยนั่นแหละอาการกุศาแหละก็รากเข า, เ น, านะ <laughs> รากเขาจะมาเป็นตัวชี้นาพวกนี้ควบควบ ค, ค, ค, คุมทิศทางของโลกโกดลงนะจีนก็กลายเป็นไม่โลกไม่กดไม่ลงใช่เงี้ยไ <laughs> ทีนี้ถ้าวิชาสมบูรณ์เนี่ยอวิชาด้านน้นดับไปหมดเลยครับอวิชาก็ดับโรคกวดหลงก็ดับก็เลยก็กลายเป็นอย่างเหลือเฉพาะวิชาจิตก็มีแต่ไม่โลคไม่ปวดไม่หลงแต่เราไม่ค่อยพูดแต่นั้นพูดแพูดถูกฟังยากเรวก็พูดต้งปัญญาบริสุทธิ์กรุณาครับท่านเจริญครับขอบคุณที่มใจครับสายที่แปดครับผมสวัสดีครับครับผมจะขอถามเอหลวงพ่อนิดนึงนะครับพอดีผมเอ่อ สวดมนต์นะฮะขณะสวดมนต์อยู่เนี่ยนะครั บ, นมนรบผมก็ตามดูจิตแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโมหะรูปเบขาเพราะจิตมันไม่รู้เราไม่รู้ว่าเป็นโมหะกับอุเบกขามันต่างกันยังไงครับ oh. ขณะที่สวดในจิตเรามันนิ่งฮะ ก็จะขอถามลงพ่อแค่นี้นะครับครับผมขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับอืคือจิตที่นิ่งเนี่ยมันก็เป็นอาการของสมาธิแต่มันนิ่งขนาดไหนเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือคือเราจะเห็นว่าอุเบกขาบางทีเนี่ยมันก็โง่เขาเรียกว่าอัญญานุเบกขาคือุเบกขาโง่เออคือคือคือเฉยแบบซุบเบื้อแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่ามีปัญญาอยู่ก็แสดงว่ามันมันมันเป็นอุเบกขาที่เป็นกุศลใช่หรือะ เบกขามันมันเกิดขึ้นจากปัญญาพิจนาเห็นกฎของกรรมเป็นต้นเนี่ยครับแล้วก็จิตสงบจากความยินดียินได้ครับก็เรียกเป็นลักษณะของเบกขาออก็แต่นิ่งได้นานก็ดีแล้วเนี่ยฮะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสมาธิครับเป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ดูซะหน่อยก็ดีเหมือนกันบางทีก็อา จ, อา จ, อ, า จ, อ, าจอาจจะเป็นอัญญาโนเบกขาก็ได้อ๋อครับ แต่ว่าส่วนส่วนใหญ่จะเป็นกุศลนะฮะก็ทำไม่เสร็ครับผมครับขอบคุณเจ้าหนุใจครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับสําหรับสายใหม่ที่เข้ามานะครับต่อไปนะครับสายที่เก้ามารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วจะถามว่าผมตกปงธรรมนิยายน่าผิดกฎน้อยไหมอะไรนะครับขอขอข้อคำถามอีกครั้งหนึ่งสิครับผมได้ทำงานที่ตกรงทําทำไนายก็ผิดกฎหมายไห ปกป้องพระธรรมวินัยใช่ไหมครับครับผิดกฎหมายหรือไม่ครับครับผมมีมีคําถามข้อข้อเดียวนะครับครับครับผมกลับรับฟังคำพิยุทนะครับครับครับผมคือหมายความมาปกป้องพระธรรมวินัยเนี่ยมันต้องมีปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยู่ด้วยอ้คือคือคือถ้าหากว่าเราถือว่าเราปกป้องเฉยๆแล้วก็ไม่คํานึงความถูกต้องตามพระธรรมวินัยมันอาจจะผิดกฎหมายได้อ เช่นถือว่าเช่นเช่นสมมติว่าคนบิดเบือนคําสอนในทางเราพูดศารนาอแล้วเราไปตีหัวเขาเนี่ยมันมันมันก็ไม่ได้คือแสดงว่าเราก็ไม่อยู่ในศีลธร oh รมเห็นไหมครับครับที่คุยใจหมายความว่าเราเองต้องมีศีลธรรมด้วยอ oh แล้วก็ทําหน้าที่ปกป้องพระธรรมวินัยก็จะไม่ผิดกฎหมายครับเพราอศีลธรรมมันเหนือกว่ากฎหมายแล้วครับผมผมก็สงสัยคำถามหมายถึงอะไรก็ครับผมสายที่สิบครับผม สวัสดีครับครับสวัสดีครับคือวันนี้ได้ข่าวทางทีวีนะครผมว่าการร่างรัฐรัญญวนเนี่ยจะมีพระสงฆ์ของเราเข้าไปร่วมด้วยนะครับครับทีนี้ผมก็โอรู้สึกดีใจมากนะฮะทีนี้ผมอยากจะกราบเรียนนัสการถามท่านเจ้าคุนว่าพระสงฆ์มีบทบาทแค่ไหนและเป้าหมายนั้นจะสําเร็จผลได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ขอพระคุณมากครับครับผมสวัสดีครับอ้นี้ก็เป็นข่าวนะฮะที่จริงก็มีเอ่อกรรมธิการเขามานิมนต์มาบอกว่านิมนต์ไปเป็นนนุกรรมการ แล้วก็มีคนค้านบอกว่าพระเป็นไม่ได้ามาบอกคุณอย่าตั้งเป็นรุกกรรมการในตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ก็ก็ ก, ก, ก, ก, ก, ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะยังไม่ชัดเจนก็ถ้าตั้งได้ในอย่างมากก็เป็นที่ปรึกษาแต่ว่าประเด็นที่พระต้องการเนี่ยจริงๆเมื่อเนี้ยเราต้องการสองอย่างค ร, บระบหนึงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติสองพระมหากษัตริย์เป็นพุทธมหามกาพย์ครซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยตัดออกไป Oh, รเราขอให้กลับมาครสองอย่างครับและทีนี้ถ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติได้ต่อไปมันจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติศึกษาปฏิบัติในด้านจริยธรรมครับคือหมายความว่าพระพุทศาสนามีมีพื้นที่ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศเนี่ยพัฒนาจิตใจของสังคมเนี่ยครับพัฒนาจิตวิญญาณของสังคมแต่ทีนี้มันไม่มีที่ที่เหยียบไปล้เนี่ย รพระพระพุทธศาสานาเป็นสถาบาันคู่กับชาติศาสตร์กับชาติพระมหากษัตริย์แต่ว่าไม่เคยเอาไว้ในรัฐธรรมนูญทําให้ไม่มีสถานภาพที่จะมีบทบาทร่วมในการทํางานพระศาสนาไม่ใช่เพื่อพระนะคําว่าพระศาสนานี่ไม่ได้หมายถึงทครับแต่ก็เป็นคณะบุคคลนั่นเองแต่เราต้องการว่าให้ศาสน า, าธรรมเนี่ยขับเคลื่อนสังคมให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมแห่งศีลธรรมสังคมแห่งจริยธรรม เวลนี่ยเราเรียกร้องจะเรยธรรมเราเรียกร้องธรรมพิบาลเราเรียกร้องธรรมารัฐเราเรียกร้องอะไรเยอะแต่เราก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเรามีศีลธรรมที่ไหนครับสัมภาษณ์อะไรก็ด่าเพื่อนทุกวันแล้วก็บอกเรียกร้องสมานฉันรีกร้องรู้รักบางกีไม่รู้อะไรก็แสดงว่าคุณก็สับสนแม้แต่ก็ธรรมพิบาลหรือธรรมารัฐเนี sind, ่ยครับเพราะว่าคุณไม่ได้ศึกษาเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาเราอยากจะให้ศาสนามีบทบาทร่วมในการดูแลบ้านเมืองเนี่ยครับ เมือสมัยการที่ห้าสมเด็จพระมารนะอยู่เบื้องหลังในพระบรมราชูปายทั้งหลายอที่ปรึกษาปรึกษาน้องชายตลอดแต่มานั่งลอกเอกสารนี้เองครับเอกสารเป็นร้อยๆเลยนะฮะลายพระหัตถ์เดขาที่ถึงกันระหว่างพี่น้องกคนนี่้แล้วก็มีสมนเอาอยู่ลอกเก็บไว้ ก, ก็ก็เนี้ยเวลานี้ยเราเราไม่ให้ความสาคัญแก่ศาสนาในสถานะที่เป็น สถาบันหลักของแผ่นดินแล้วก็เกี่ยงคู่กันมากะคือหมายความว่าชนในชาติมีศาสนาธรรมอยู่ในหัวใจพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตามทศพิราชธรรมราชสังฆาจารกวัติวัฒน์เวรนี้ก็มีแต่องค์พระมหากษัตริย์แต่ว่าประชาชนหรือราษฎรเนี่ยพูดเมไรก็ถูกเมือนั้นปัญหาทุจริตคิดไม่ชอบในวงราชการนี่พูดเมก็ถูกเมือนั้น ต, ตีตีลงไปเกือบไม่เกือบไ ม, ไม่ไม่พลาดเลยนะมันจะเจอการทุจริตคิดไม่ช่อดูรัชการใน ต, นตน<ม>ุกคนทุกอย่างเพราะเพราะคนทอดทิ้งศีลธรรมศาสนาไม่สามารถจะขับเคลื่อนบทบาทตัวเองได้ไม่สามารถที่จะที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลบ้านเมืองอเราต้องการอย่า ง, งนี้มันมันมันมันเวลาเนี้ยเราพูกันไม่รู้เรื่อง คลาดคกับชิงครรมเป็นใหญ่อะไรอะไรมันไม่ใช่ครับบ้านเมืองเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีมกายกับจิตครับกายเนี่ยถ้าจิตไม่มีคุณธรรมคุณมีความรู้ดียังไงมีความคิดดียังไงสามารถดียังไงคุณใช้ไปล้างผลาญได้แต่ถ้าคุณคุณมีคุณธรรมเนี่ยคุณจะง้อไปหน่อยมันมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ครับอะไรเราไม่รู้เราก็ให้คนอื่นมาทบ อะไรเราคิดไปเป็นเรากระดมกันครนะอะไรเราไม่สามารถเราก็มอบไปคนสามารถทําแต่ศีลธรรมทุกคนต้องมีเองครับถ้าคุณไม่มีนี่คุณก็ใช้หลักตรงนี้ไม่ได้ครับครับชัดเจนเลยครับจิตใจครับสาธที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนักการหลวงพ่อแล้วก็อาจารย์นะครับครับผมผมเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับอ๋อครับคือคือเมื่อเดือนก่อนเนี่ยผมเห็นแม่ชีในี่ยขึ้นมาบนรถผมนะครับครับ แล้วก็ตอนที่เขาจ่ายตังเนี่ยเขาใช้ผมแบมือแล้วก็โยนสตางใส่มือผมนะครับแล้วตอนผมเอ่อเอาตังพรเขาเนี่ยเขาก็เอาชายเสื้อชายคล้ายแบบอะไรอะเขาเาแบบพระอะไรนครับแม่ครับผมเขาเอาชายเสื้อเขาแล้ววางแล้วให้ผมก็ตังวางไว้ตรงนั้นแล้วเขาขยิตตังพรไปเกรอบเกืบนะครับผมเห็นกิริยาแล้วก็คล้ายๆเหมือนพระสงฆ์เราทนำตอนรับประเคน รับปัจจัยต่างๆเนี่ไงผมดูแล้วผมอึดอัดใจว่าเนี่ยม้นจะแก้ขยังไงดีเนี่ยว่าแม่ชีได้แม่ทีทำอย่างนี้ไหมครับครับคือฟัอยางน้องทวิจุนะครับแล้วขอบคุณครับเจ้าพ่อกราบขอบคุณมากเลยนะครับคแม่ทีไม่ทีเขาก็เคร่งนะเคร่งกลัวศีนข้อที่สามเขาเนี่ยจะบกพร่องครับแต่ว่าแท้จริงแล้วศีลของแม่ชีเน่ยเขาเรียกว่าอาคาริยาวินัยมันไม่ใช่อนาคาริยาวินัยครับ ศีลข้ออัพรัมสำับแม่ชีแล้วก็สามารถจับต้องผู้ชายได้ครับมันไม่ใช่ศีลของเนนไม่ใช่ศีลของสามเดรีครับนะไม่ใช่ศีลของพระไม่ใช่ศีลของพิกษุณีครับนะเป็นศีลของคารวาสนี่แหละครับแต่ว่าท่านถือเคร่งอย่างนั้นก็อนโมทนาท่านครับก็ถือว่าก็ดีก็เคร่งไว้แต่ว่าอย่างเนี้ยอย่างก็แท็กซี่เขาก็อึดอัดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกินไปครับ ะเกินไปใล้ายๆก็ไปรังเกียจเขาใครับอย่างที่พระไม่ทําเนี่ยพราะวินัยว่าห้ามครับะเช่นเช่นว่าพระไม่สามารถรับของจากผู้หญิงได้เนี่ยไม่ใช่ลังเกียจแต่วินัยก็ห้ามครับครับผมอ่มันก็ต่างกันแต่นี้คุณศีลก็ไม่ได้ห้ามครับแต่ว่ามันไม่มีการศึกษาปรับกันก็ก็น่าเห็นใจนะฮะแต่เขาก็คลิกไว้ก่อนก็ก็อนุมทนาเขาครับ เขาควรจะเข้าใจว่าศีลที่เขารักษานั้นไม่ใช่เป็นอาาคาริยะวินัยแต่เป็นอาคาริยะบินัยบินัยของผู้ครองเรือนพวกน้แะคือเขาก็คืออุปาสิกาองครถึงแม้ว่ากฎหมายจะยกย่องขึ้นเป็นนักบวญนักพรตเขาก็คงเป็นอุปาสิกาอย่างนั้นแหละเพราะว่าการจะบัญญัติเพศขึ้นมาใหม่เนี่ยคนทำได้พระเจ้าองเดียครัสดีพระยา พระอุจรนี้ผ่านไปแล้วเพราะไมนสร้างสร้างอะไรขึ้นมาไม่ได้สร้างนักบวชอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาไม่ได้แต่ว่ากฎหมายนี่ทำได้นะฮะเรากรรองสิทธิพิเศษต่างๆให้เนี่ยได้ตอนคือคือถึงว่ากฎหมายรับรองท่านก็คงเป็นเป็นวินัยของผู้ครองเรือนอยู่นั้นแหละ อก็ขอบคุณงานครับขอบคุณเจ้าคุณอาจรครับมีพี่น้องแท็กซี่หลายรายนะครับฟังรายการนี้ผมว่าเป็นพันคันนะครับในกรุงเทพมหานครที่เปิดรายการนี้ให้ให้อผู้นั่งนะครับคนนั่งฟังไปด้วยนะครับฟังรายการเสรียงธรรมจากสิประทุมก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับหลายรายโทศรศัพท์มาคุยกับผมบอกว่าอยากได้หนังสือเจ้าคุณอาจารย์ไปไว้ในแท็กซี่หน่อยเวลา อ่แขกไปใครมาเวลานั่งแท็กซี่จะได้อ่านไปด้วยยินดีเลยนะครับจดหมายได้มามาได้เลยนะครับโดยพี่น้องแท็กซี่หลายๆพันคันนะครับก็ยินดีนะครับจดหมายมาได้ที่รายการเสียงคำจากมหาวิทยาลัยสิรทุูมนะครับ 61ประหนโยทินจตุจักรกรุงเทพ10900นะครับสีธรรมะก็มีนะครับก็จะแจกให้เวลาท่านขับแท็กซี่ไปเปิดสีธรรมะฟังไปนะครับที่ตควรจะบรรยายธรรมไปบางเกินจะเป็นการกล่อมเก่าพี่น้องไปด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้เราได้บุญได้กุศลร่วมกันด้วยนะครับสัพพะธนังธรรมะธนังทีนาตินะครับการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะครับสายต่อไปนะครับสายที่12ครับ สวัสดีข้าวปฟรายการครับ ula, ouais, ครับครับสวัสดีครับผมผมผมโดยจากส ม, มุดประการนะครับครับผมกลับเรียนถามอท่านเจ้าคุณประเด็นหลอกเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกนะฮะคือคือเมื่อเมื่อสักอาทิตที่แล้วในปุผมานหนังสือปิมเจอว่าทางคณะส่งได้ตั้งคณะทํางานเพื่อชําระพระไตรปิฎกนะฮะซึ่งซึ่งก็มีพระผู้ใหญ่ทั้งทั้งสามด้านคือด้านวินัยปิฎกจุดตันตาปิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกทีนี้ความเข้าใจของผมมากคือ เข้าใว่าพระไตรปิดกเนี่ยถือเป็นคําสอนของพระศาสดาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงอะไรไม่ได้หรอกคือคือคือเขียนคือถ่ายทอดมายัางไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นจนใครเชื่อไม่เชื่อศรัทธาไม่ศรัทธาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนี้เมื่อเปรี่ยนเปี่ยนมากฎหมายและธรรมนูญเนี่ยมันยังเป็นกฎหมายยังแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงยกเลิกเพิกถอนได้ทอนี้ที่คณะสงฆ์เขาเขารู้สึกจะเป็นมหาเล็กเีวดาสมาคมเนี่ยที่ที่ตั้งคณะทํางานชําระพระไตรปิดกเนี่ยผมผมไม่เข้าใจว่า การําระวิธีจําระเราก็ทํายังไงไปไปหมายความว่าความหมายแปลงไปเป็นวิธีทำนะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงถ้อยความอะไรที่มันมันได้หรือเปล่าเนี่ยผมคือทำยังไงผมผมผมไม่เข้าใจก็อยากเรียนถามเป็นเป็นความรู้นะครับขอบคุณมากเลยครับคุณตัวผถามเขารบไว้นียวฮะครับเมื่อเร็วๆนี้ท่านที่คุณพูดว่าเรือเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญหรือหรือหรือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาประชาชาติกับกฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยนะครับผม ไม่ทราบว่าจะหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรับาฟังต่ออยู่นิดเจ้ากุญจารย์จะบอกให้นะครับครับคับพอบคุณมากครับอ่าพรก็คงไม่ใช่สำนานะครับคล้ายๆกับมีข่าวว่าในทานองคล้ายๆจะเอาอะไรเป็นภาพยนตร์อะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าถ้าชำนานี่ไปแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากว่าอักษรมันผิดตรวจคำผิดน่ได้ คำคที่พิมพ์ผิดอ่ะได้แต่ว่าไปไปไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยนะฮะครับพระไตรปิฎกประยุคไม่ได้เลยครับอพระไตรปิฎกว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้นแต่ว่าเราสามารถสรุปความมาพูดได้แต่ว่าจะเอาเต็มที่ตามพระไตรปิฎกคนกลางไม่รู้เรื่องนี่แล้วก็ก็เขา้าใจคล้ายๆจะเป็นเป็นอะไรรู้สึกว่าจะสร้างเป็นภาพยนตร์สร้างเป็นไอซีดีอะไรเนี้ยแต่แต่นี่ยนะะแต่แต่ไม่ใช่ชมาสหรอครับก็ อะไรออห น, น, น, น, นังสือกะลัง<อ>พิมพ์เข้าใจว่าก็สัปดาห์นี้คงเสร็จนะครับแล้วก็จะเผยแพร่ครับพระพุทธศาสนากับรัฐรรมนูญครั บ, ค, รบคือพยายามชี้ประเด็นให้เห็นว่าการการร่างรัฐบรญนูญเนี่ยในแง่ของความจริงก็คือการรวบรวมเรียบเรียงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทยมา จัเป็นหมวดหมู่ไว้ครับแล้วเราพวกนี้ไปคิดว่าตัวเองเป็นบัญญตัติคุณไม่มีสิทธิ์บัญญัติคุณไม่มีสิทธิ์บัญญตัติแล้วอามาว่าเข้าใจประเด็นผิดครับเช่นสมมติวันนี้คือเราจะเห็นว่าอำ น, นาจอธิปไตยเป็นของบุงชนชาวไทยครับทําไมคุณไปจํากัดเทอมของสอสอรัฐมนตรีครับก็ป่วยคัดสมัครไปสิับญชนก็ตัดสินใจเองครับ บันที่สมัยเดียวไปสมัยที่สองก็ไม่เลือกแล้วครับเดี๋ยวบางทีคนมันดีอ่ะก็เลือกต่อเขาเลือกต่อสมัยที่สามก็เลือกไปทีครับผมชาติบ้านเมืองมันได้คนดีไปใช้งานครับแต่ว่าคนวินิจฉัยคือประชาชนไม่ใช่เราครับทีนี้เราจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นอาณาจักอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้เนี่มันเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมกันแต่โบราณแล้วครับคุณจะเขียนหรือไม่เขียนมันมีอยู่แล้ว <voix> เพราะเป็นพ <labeled> ุทธาสนาพิศานาพิจมชาติมันมีอยู่แล้วแต่ทําไมคุณไม่เอามาลงไว้เราก็นับถือกันมาตั้งแต่ก็ใช่ที่ครับผมไม่ใช่ที่คือเนี่ยถ้ามหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะเนี่ยคือคือคุณเขียนหรือไม่เขียนนันก็เป็นอยู่แล้วครับผมก่อนสุโขทัยก็เป็นครับตั้งแต่พ่อคุณหลวงหลวงมาล่นครับอันเนี้ยคือคือคณะร่างรัฐนุนต้องเข้าใจตัวเองชัดเจนครับว่าคุณมีหน้าที่รวบรวมเรียบเรียงครับ จารีตประเพณีวัฒนธรรมในอดีตมาจัดเป็นหมวดหมู่ครับองค์กรใหม่ใช่คณะรนตรีนั้นเป็นองค์กรใหม่ครับแต่มันก็ต้องสอดรับกับโบราณประเพณีที่เคยมีครับมันมีจารีตอยู่เพียงเดียวเรียกชื่อต่างกันครับะที่ไปที่มาต่างกันหน่อยหนึ่งสมัยก่อนก็เรียกว่าเสนาบดีอัครมหาเสนาบดีอะไรกันไปคือถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้การการร่างรัฐนูลจะไม่ยากอะไรครับ เพราะมันมีมันมีมันมีเนื้อหาอยู่แล้วอกูจัดบนมูมันถูกกันแล้วกันเนี่ะที่อาจครับแล้วผมคิดว่ารายการสิ่งธรรมจากมหาวิทยาลัยศิลป์ทุกเนี่ยแฟนรายการหลายหลายท่านเลยครับทีจารครับรู้สึกว่าจะมีความรู้ทางด้านพุทศาสนาดีมากเลยและอยากจะให้ที่อาจารย์เผยแพร่ความรู้ด้านนี้จะขอหนังสือมาแจกแฟนรายการเอาเลยเอาเลยครับคือคือสั่งพิมพ์ตอนนี้ห้าพันแผ่นเล่มครับ แล้วก็ทั้งทั้งหมดก็ก็พิมพ์ต่อครับผมครับขอบคุณท่านอาจารมากเลยนะครับขอบคุณแทนแฟนรายการหลายท่านด้วยนะครับที่จะรับหนังสือดีๆก็ขอมาได้แล้วนะฮะคือคือเอามาเข้าเจวันจันทร์หน้าเนี่จะจะเอามาให้ได้ครับผมครับงั้นแฟนรายการหลายท่านนะครับที่รออยู่นะครับก็เสียงทําจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมนะครับหกสิเอ็ดประหนดโยธินจะจุจัดกรุงเทพหนึ่งศูนย์เก้าศููนย์นะครับ หนังสือเล่มใหม่ของท่านที่ปรึกาจารย์นะครับพระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญนะครับก็เขียนมาขอได้เนียครับทางท่านพระเดชเสรีผู้กมาจะจดส่งเป็นธรรมบันดาการแด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านโดยไม่คิดมูลค่าเลยนะครับหรือจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับ025791111 025791111บอร์โทรศัพท์มหาวิทยาลัยสิทุมนะครับแล้วก็ต่อ2217นะครับ บอกเจ้าที่ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้เลยนะครับบอกชื่อที่อยู่ไว้จะจะส่งให้เป็นธรรมบรญญัการนะครับเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนาจากรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสุพทุมครับสายที่สิบสามครับสวัสดีครับขอโทษทีให้รอนานครับครับแล้วกันครับครับผมจะถามหลวงพ่อไอคิวเมื่อวที่เหตุที่นิชานพูดว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติครับตอนนี้ผมไปอ่านหนังสือนะฮะหนังสือสร้างบุญของเอ่อสมเด็จพระสังฆราชของกัจจบัลเนี่ยนะครับสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยท่านบอกว่า ให้ธรรมะเป็นทานร้อยครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้อภัยพระาฐานครั้งเดียวที่ผมก็สงสัยว่าทําไมพุะเจ้าไม่บอกว่าการอภัยพระญาฐานเนี่ยเป็นฐานที่สูงสุดครับผมแต่ท่านบอกว่าให้ธรรมะเป็นทานเป็นชั้นยอดชั้นสูงสุดอ่อให้ดี๋ยงไงรับฟังาทางวิทยุนะครับ ครับคุณก้าครับไม่ไม่น่าจะออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะคือสับราณังธรรมานังชินาติเนี่ยผู้เจ้ารับสั่งเองคืออย่าลืมนะฮะว่าโทสะนี่มีโทษมากแต่มันคลายเร็วโมหะมีโทษมากแล้วก็คลายช้าเพราะงั้นการให้ธรรมะเนี่ยมันขจัดตัวโมหะครับเว้นอันดิสง์ม่ต้องเหนือคนอื่นหมดครับ ถ้าข้อความอย่างนั้นจริงๆในแสดงคนอื่นแอบยัดไส้แล้วคือคือคือคือเป็นไปไม่ได้เลยครับผมเป็นไปไม่ได้เลยการให้อภัยกับการให้ธรรมทานเนี่ยการให้อภัยมันเป็นเรื่องคนคนเดียวใช่ครับแต่ว่าการให้ธรรมทานเนี่ยมันให้เดียวหรือคนได้เยอะใช่ครับแล้วมันตัวที่สำคัญยิ่งคือขจัดโมหะครับ แล้วก็คนที่ให้มันก็ต้องขจัดโมหะในเรื่องนั้นไปก่อน <laughs> จึงจะจึงจะให้ได้เห็นัหมฮะมันมันเป็นการขาจัดตัวตัวกิเลสใหญ่ครับคือการวัดวัดบุญนี่มันวัดที่การขาจัดกิเลสได้มากหรือน้อยครับนะรเราเห็นว่าบุญเช่นเช่นขจัดทายขจัดโลภะขจัดโทสะขจัดโมหะเนี่ยขจัดโลภะจะได้บุญน้อยกว่าขจัดโทสะขจัดโทสะบุญจะน้อยกว่าขจัดโมหะครับผมอ่า อันนี้คือคือคือตามความแรงของกิเลสครับตามความหนักบองกิเลสเมื่อกิเลสมันมีโทษน้อยเพราะฉะนั้นการลากกิเลสตรงนี้ก็ก็ก็ได้บุญน้อยใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะครับผมคือคือคือแสดงข้อข้อความนี้ที่จริงทนายมบอกหนังสืออนอกระเดียนะฮะก็อยากจะไปดูหน่อยครับผมเป็นไปไม่ได้นะฮะครับผมก็จะแสดงว่าอาจจะปลุกผิดอะไรผิดครับผมครับขอบคุณครับก็มีแฟนรายการหลายท่านนะครับโทรศัพท์มาคุยกับผมบอกว่า ช่วยประชาสัมพันธ์รายการนี้นะครับไปยังญาติพี่น้องแล้วก็ไปยังสื่อต่างๆนะครับเช่นอินเทอร์เน็ตไปนะครับแล้วก็เมลไปบอกเพื่อนๆนะครับบอกให้ฟังรายการเสียงธรรจากศรีประทุมซิในพักวันจันทร์นะครับตอบปัญหาธรรมะได้รู้สึกว่าเข้าใจในแการธรรมาก็ขอขอบพระคุณหลายสายเลยนะครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็หลายๆฉบับนะครับเขียนจดหมายมาบอกว่าช่วยเผยแพร่โดยการนำนะครับเทสธรรมะที่เราตอบรายการเนี่ยนะครับไปออกรายการอีกทีทางพิจุชุมชน ก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับรายการเสียงธําจากสีพุทุมนะครับช่วยกวยันเผยแพร่พุทธศาสนานะครับศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติแล้วก็เป็นศาสนาที่เราจะต้องนะครับร่วมรักษากันด้วยชีวิตเลยนะครับสายที่สิบสี่ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยากรู้คนที่เสีชีวิตไปแล้วเนี่ยครับ จะไปสุขสบายเรื่องไปไหนว่ามีการเข้าสงฆ์เข้าไหนเนี่ยเราอยากจะรู้นะครับว่าเขาจะไปตรงไหนนะครับครับครับครับผมแล้วมันมีอะไหรือเปล่าครับอ๋อครับผมรับฟังจากพี่ยูนะครับครับสวัสดีครับครับผม คือคือคนมันเป็นไปตามกรรมครับเราไม่รู้เขาหรอกว่าก่อนดับจิตเนี่จิตเขาผ่องใสหรือจิตเขาเศราหมองนะแต่ถ้าหากว่าภูมิหลังเขาดีเนี่ยโอกาสจะผ่องใสสูงครับแต่ภูมิหลังเขาไม่ดีเนี่ยโอกาสจะเศราหมองก็สูงแต่ว่าคนรู้จริงๆคือเขาะเราไม่รู้เขาหรอก ทีนี้อะไรนะโออก็ข้อคำถามคือว่าแล้วแล้วเราจะสามารถว่ามีมีจริงหรือเอล่าอ๋อไม่แท่คือทรงไปเชิญทรงอะไรเนะ่ยมันเกินไปแนละ้คือคือโยมจะจะต้องเข้าใจว่าการทรงเจ้ า, าเข้าผีเนี่ย <c oughs> เปอร์เซ็นต์จริงจะน้อยมากมากเลยครับ <c oughs> เพราะตมาเคยศึกษาเรื่องนี้แล้วเคยเคยเชิญทรงได้ด้วยนะก่อนจะบวชเนี่ยครับเราก็เห็นว่ามันก็เรื่องไม่จริงอ่ะครับ แต่ว่ามันกลายเป็นอุปท า, านว่าพอทำท่าอย่างนั้นแล้วก็ น, นึกว่าเรือเจ้ามาแ ล, <c oughs> แล้วก็เชื่อเป็น <c oughs> เชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วโอกาสโอกาสที่จะเชิญได้เนี่ยมีน้อย <c oughs> แต่ไม่ถึงก็ไปเสียทั้งร้อยนะฮะ <c oughs> โอกาสจะเกิดมันก็มีได้ <c oughs> แต่ว่าจะน้อยมากเขาต้องยอมให้เราพิสูจน์ <c oughs> แทีนี้เราจะเห็นว่าพวกทรงในลูกช้างจะป้องกันเต็มตัวเลยออืจะไม่ยอมให้แต่ต้องจะไม่ยอมคือคือว่าไม่มีสิทธิ์จะเถียงเจ้าพนะ่อกันเลยกันไอ้เนี้ยคือก็กลัวเทวดาอย่างนี้น่าเพราะฉะนั้นทําให้คนเชื่อว่าจริงครับแต่โอกาสจะจริงนี่มีเปอร์เซ็นต์น้อยนิดจริงๆเลยแล้วก็ทรงที่ไหนแล้วก็พิสูจน์ก็ได้นะที่ ง, ง่ายนะฮะที่พิสูจน์ง่ายมากๆเลย เพียงคขาไม่ให้โอกาสพิสุดน์แต่เด็กพิสูจนกัทะเลาะกันนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์นะฮะกลุ่มผลประโยชน์ใกล้ใทุบหม้อข้าวเพื่อนครับอ้าวพอดครับขอบคุณแฟนรายการเสียงครรมจากมหาวิทยพระสมุทรทุกท่านนะครับที่สอบถามปัญหาธรรมมาเข้ามานะครับ กราบขออภัยในหลายสายเลยนะครับที่ไม่สามารถสอบถามเข้ามาปัญหาเข้ามาได้นะครับเพราะว่าสายแน่นมากเกินนะครับก็ขอแยกเประชั้นพันนิดนึงนะครับพุทธศาสนากับประธรรมานุนนะครับงานนิพนธ์ของท่านพระเดชปคุณท่านผู้จาดการประเทศศิลหลกของเรานะครับแจ้ให้แฟนรายการทุกท่านนะครับจดหมายมาได้ที่รายการเสียงข่ามจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม61ปนโยทินจะจุจัดกรุงแค่10900นะครับขอจะรับความคุณจากท่านพระเดชเสรีพกทธมารท่านดรรัชณีพรพุทยาพรุทมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับขอ